ศึกษาบุญไปให้ปัญญาพาบุญอย่างถึงจุดหมายลายเป็นบุญอย่างสูงสุดพูดมายืดยาวแล้วควรจะจบได้ขอย้ำข้อสุดท้ายที่ว่าทิฏฐุชุกกรรมควรให้มีประกอบกับการทำบุญทุกครั้งเพราะมันเข้าได้ทุกข้อเริ่มแต่ทำบุญข้อทานเราก็มีทิฏฐุชุกกรรม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 และบุญก็ได้เพิ่มขึ้น 2. เราจะพัฒนาก้าวสูงขึ้นไปจะไม่จมติดอยู่แค่เท่าเดิมเป็นอันว่าทิฏฐิชุกกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งวันนี้นำมาพูดเป็นเค้าไว้ให้โยมทราบว่าต้องพยายามให้ประกอบกับ ก, บการทำบุญทุกอย่างให้เป็นการกระทำที่มีความเข้าใจรู้เห็นถูกต้อง แล้วก็ปราบทิฏฐิของเราอยู่เสมอการที่จะปรับทิฏฐิได้ถูกต้องก็คือต้องเรียนรู้อยู่เสมอต้องฟังต้องอ่านธรรมะอยู่เสมอขอพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่งสั้นๆว่าบุญนิดท่านยังแบ่งอีกว่ามีสองประเภทคือโอปัติกบุญกับนิโรปัติบุญหรืออนุปฏิกบุญ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 ซึ่งเป็นอนุปฏิกบุญนั่นคือบุญที่ไม่ประกอบด้วยอุปธิอันเป็นบุญที่บริสุทธิ์เกิดจากเจตนาที่ไม่มีกิเลสมีความผ่องใสทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆตรงตามความมุ่งหมายคือทำเพื่อความมุ่งหมายของบุญนั้นแท้ๆไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเข้ามาครอบงำหรือแอแฝง แต่การที่จะฝึกให้ไม่มีโมหานี้ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็แล้วกันขอให้เดินหน้าไปแล้วก็จะถึงบุญที่จะทำให้เราหมดอุปธินี้แน่นอนบุญตัวสำคัญก็คือปัญญาบุญคือปัญญาแปลว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แต่บุญจะชำระจิตใจได้จริง ก็ต้องมาถึงขั้นปัญญาจึงจะชำระด้วยวิปัสนาให้สะอาดได้จริงฉะนั้นบุญจึงรวมคำว่าปัญญาอยู่ด้วยและบุญขั้นสูงสุดก็จึงมาถึงปัญญามาเป็นปัญญาในที่สุดปุญญะกับปัญญาก็จึงมาบรรจบกันถ้าโยมทำอะไรแล้วได้ทั้งปุญญะได้ทั้งปัญญา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 วันนี้ก็เลยพูดมายืดยาวพอสมควรในเรื่องบุญเพื่อให้เห็นตัวอย่างว่าเรื่องของถ้อยคำและกิจกรรมที่เราทำในพระพุทธศาสนานี้ยังมีอะไรที่ควรจะศึกษาอีกมากท่านจึงบอกให้ศึกษาบุญดังที่ตรัสไว้ในพระสูตรซึ่งแสดงบุญกิริยาวัตถุว่าบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งานนมัยบุญกิริยาวัตถุ 2. ศิลมัยม่บุญกิริยาวัตถุ 3. ภาวนาไม่บุญกิริยาวัตถุแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคทถาสรุปท้ายยาวหน่อยเริ่มด้วยท่อนต้นที่บอกว่าปุญญะเมวะโสสิเขยยะบุคคลนั้นพึงศึกษาบุญคือเรียนรู้ฝึกธรรมให้ก้าวหน้างอกงามเพิ่มพูนต่อไปอย่าหยุดอยู่แค่บุญ ที่เราทำอยู่เป็นทุนเท่านั้นบุญจึงจะเกิดผลสมบูรณ์อย่างที่กล่าวมาได้แสดงธรรมะกระถาเรื่องบุญมาพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาคุณโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในการที่ได้มาป ร, รารบเหตุการณ์หนึ่งและมาร่วมกันทำบุญขึ้น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 ชนะการให้ท่างปวง